แนะนำบทอันนาลิอาตบทอันนาลิอาตเป็นบทมักิยาะมี46องค์การบทนี้เริ่มโดยการสาบานต่อมาเลากะผู้ทรงคุณธรรมซึ่งดึงวิญญาณของบรรดาโมวิญญาณแผวเบาและนุ่มวนวลและฉุดกระชากวิญญาณของผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่างแรงและที่บริหารกิจการในจักรวาลทั้งมวลด้วยพระบัญชาของอัลลอ บทนี้ได้กล่าวถึงพวกมุชรีกีนบรรดาผู้ปฏิเสธการฟื้นผืนชีพและวันแห่งการชุมนุมโดยวาดสภาพของพวกเขาไว้ในวันที่น่ากลัวของวันนั้นหลังจากนั้นบทนี้ได้กล่าวถึงฟิร์เอาผู้ละเมิดซึ่งอ้างว่าตัวเองเป็นพระเจ้าและได้แสดงอำนาจอย่างหยินยะโสอัลละ์ทรงลงทุเขาและหมู่ชนของเขาด้วยการให้จมน้าตาย บทนี้ได้กล่าวถึงการละเมิดฝ่าฝืนของชาวมักกะห์ต่อท่านรอซูลซลละวะเลวะสลัมและได้กล่าวเตือนพวกเขาว่าพวกเขานั้นเป็นประชาชาติที่อ่อนแอที่สุดในบรรดาสิ่งที่ถูกสร้างมาในโลกนี้บทนี้ได้จบลงด้วยการที่แจงถึงเวลาของวันอวสานซึ่งพวกมุสลิกีนคิดว่ามันเป็นเรื่องห่างไกลและพวกเขาปฏิเสธว่ามันจะไม่เกิดขึ้น ด้วยพระนามของอลัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอรขอสาบานด้วยมาลิกะผู้จุดกระชากวิญญาณของผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่างแหวน ขอสาบานด้วยมาลิกาผู้ชักวิญญาณของผู้ศรัทธาอย่างแถ่วเบาขอสาบานด้วยมาลิกาที่แหวกว่ายอยู่ในห่วงนภากาแล้วพวกเขามาลิกาผู้รีบรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วแล้วพวกเขามาลิกาผู้บริหารกิจการวันซึ่งการเป่าสังครั้งแรกนั้นทําให้สันสะเทือน การเป่าสังครั้งที่สองจะติดตามมาในวันนั้นดวงจิตทั้งหลายจะทะนุสายตาของพวกเขาจะละไอยพวกเขาจะกล่าวว่า พวกเราจะถูกให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิมอีกกระนั้นหรือเมื่อเราได้กลายเป็นกระดูกที่ผุแล้วกระนั้นหรือพวกเขากล่าวว่าถ้าเช่นนั้นก็เป็นการกลับไปที่ขาดความจริงมันเป็นเพียงเสียงกล้องครั้งเดียวเท่านั้น แล้วเมื่อ น, นั้นพวกเขาก็จะออกมาอย่างที่ราบโลกเรื่องราวของมูซาได้มาถึงเจ้าแล้วมิใช่หรือ ด, าดา บ, บดขณะที่พระผู้อภิบาลของเขาทรงเรียกเขาที่หุบเขาดูวาอันบริสุทธิ์ เจ้าจงไปหาฟิร์อาวเพราะเขาละเมิดฝ wow, ่าฝืนแล้วจงกล่าวว่าท yeah. ่านประสงค์จะซักฟอกให้บริสุทธิ์ไหมและจะให้ฉันนำท่านไปสู่พระผู้พิบาลของท่านไหมเพื่อท่านจะได้ยำเกรงแตเอารหูลอายะัลกุบราะคบ عصاص ดด ล, ลวมูซาก็าได้แสดงให้เขาเห็นสัญญาณอันยิ่งใหญ่แต่เขาได้ปฏิเสธและดื้อดังแล้วเขาก็หันหลังกลับหนีไปอย่างรวดเร็วแล้วเขาก็ได้เรียกชุมนุมแล้วประกาศออกไปแล้วกล่าวว่าฉันคือพระเจ้าสูงสุดของพวกเจ้า ดงนั้นอัลลอฮ์จึงทรงลงโทษเขาซึ่งเป็นแบบอย่างทั้งในปรโลกและโลกนี้แถ้จริงในการนี้ย่อมเป็นข้อเตือนใจสำหรับผู้ยำเกรงพระองค์พวกเจ้าลำบากยิ่งในการสร้างกระด้นหรือ หรือว่าชั้นฟ้าที่พระองค์ทรงสร้างพระองค์ทรงยกให้มันสูงขึ้นแล้วทรงทำให้มันสมบูรณ์และทรงให้กลางคืนมืดทึบ และทรงทําให้แสงสว่างคองมันออกมาและหลังจากนั้นทรงทําให้ผ่นดินเป็นพื้นเรียบทรงทําให้มันออกมาจากผ่นดินซึ่งน้ําของมันและทุ่งหญ้าของมันส่วนเทือกเขานั้นทรงทําให้ มมัั่นนคทั้งหมดนี้เพื่อเป็นปัจจัยยังยีนสำหรับพวกเจ้าและสำหรับระสุสัตว์ของพวกเจ้าดัังนน้ เมมื่่ออคววานนนะะัใหญหญลงไดด้้เเกิขึป็นวันที่มนุษย์จะได้นึกถึงสิ่งที่เขาได้ขวนขวายเอาไว้และนรกนั้นจะถูกเปิดเผยแก่ที่มองมัน ส่วนผู้ที่ละเมิดฝ่าฝืนนั้นและเขาได้เลือกเอาการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ดังนั้นนรกคือที่พำนักของเขาวและส่วนผู้ที่หวาดกลัวต่อการยืนเบื้องหน้าของพระผู้อภิบาลของเขา ละดหั่จเามางนั้นสวนสวรรค์ก็จะเป็นที่สำนักของเขาพวกเขาจะถามเจ้าทุกวันอาวสานคือวันเกียามาว่าเมื่อใดเล่ามันจะเกิดขึ้น ด้วยเหตุอันใดเล่าเจ้าจึงชอบกล่าวถึงมันนะยังพระผู้วิบากของเจ้านั้นคือวันวาระสุดท้ายของมันความจริงเจ้าเป็นแต่เพียงผู้ตักเตือนแก่คนที่หวาดกลัวต่อวันกิยามาเท่านั้น วันที่พวกเขาจะเห็นมันวันกิยามะประหนึ่งว่าพวกเขาไม่ได้พำนักอยู่ในโลกนี้เว้นแต่เพียงชั่วครู่หนึ่งของยามเย็นและยามเช้าเท่านั้น